ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องทิฏฐิสิบแสดงโดยพ่อท่านโพธิรักได้แสดงไว้เมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 2 4หนะ้าร้อยยีบสีณวิทยาลัยครูจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ จเจริญธรรมทุกคนวันนี้จะทบทวนทางเอกทางเดียวอีกที่จริงสอนหรือว่าพูดอธิบายแนะนำก็สอนทางเอกทางเดียวนี่แหละไม่มีทางอื่นหรอกซึ่งสอนเพื่อที่จะให้เราถึงที่สุดหรือที่ต้นอันเดียวกันที่ว่าที่สุดหรือที่ต้นอันเดียวกันก็คือเราจะกลายเป็นทินนังเป็นผู้ ให้ในที่สุดที่เรามาจะทำอะไรอยู่นี้เช่นเราตื่นมาตั้งแต่ตีส <c oughs> ที่เราก็เริ่มให้นะถ้าผู้ที่ยังไม่ยอมให้ก็ไม่ยอมตื่น <c oughs> ก็จะต่อนอนต่อเสพต่ออร่อยต่อเอาไปต่อของตัวเองไปตีสี่ตีห้าตี6อะไรบางคน2สองโมง บางคนเที่ยงไปแล้วแต่ก็จะเสพเอาของตัวเองแต่ผู้ใดที่เห็นว่าถึงตีสามแล้วนี่เป็นยึดถังเป็นพิธีเป็นรูปแบบเป็นหลักการเป็นกำหนดเป็นกฎเป็นระเบียบหรือเป็นสิ่งที่ควรมีจุดกำหนดเป็นจารีตเป็นประเพณี เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำตามจังหวะนี้ตีสามตื่นแล้วตีสามครึ่งเราก็รวมพร้อมกันแล้วเราก็ร่วมกันมีสวดมนต์บูชาเป็นหุตตังการมารวมกันตั้งแต่ตื่นตีสแล้วก็มารวมกันล้วนแล้วแต่เป็นยึดถังเป็นรูปแบบเป็นพิธีการ เป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่เรากำหนดกันแล้วเห็นว่า ด, ดีทําทำอย่างนี้มันจะมีคุณค่าอะไรจะมีประโยชน์อะไรเราเข้าใจแล้วเรายินดีร่วมกันเรียกว่าประเวณีหรือประเพณีร่วมกันทำอย่างนี้แล้วก็เป็นรูปเป็นแบบเป็นพิธีการเป็นยึดถังแล้วเราก็มาทำหุดตังมาทำการบูชา มาทําการสังเวยมาตัง้งทที่จึงมาทําการอธิษฐานหัตั้งมาทําการตั้งใจนะมาทำการกําหนดลงไปในจิตของเราว่าเราน่าจะทําอะไรเตือนตนรู้ตนเข้าใจความหมายว่าเราจะทําอะไรการสังเวยเนี่ยคือการทําให้ถึงจิตการสังเวยการบูชาสังเวยเนี่ย ทำให้ถึงจิตตั้งจิตดูตรวจจิต ด, ดูเราจะทำเพื่อพระพุทธองค์อย่างพระพุทธองค์ทาอย่างพระพุทธองค์ทำอย่างไรทาอย่างทินนังนี่เราจะต้องรู้ถ้าใครเข้าใจทินนังก็ไม่ได้ยิดทังก็ไม่ได้หดตังก็ไม่ได้ซึ่งเป็นทิฏฐิสามตัวแรก ถ้าใครเข้าใจหรือว่าใครก็ไม่รู้แล้วก็นึกว่าการให้เนี่ยไม่ต้องมีรอกหรือว่าไม่มีรกไม่มีผลอะไรรักยึดถังกาพิธีการยันยยพิธีต่างๆรูปแบบต่างๆไม่จำเป็นรักไม่ต้องมีรักอิสระเสรีใครอยากทำอะไรก็ได้ตามใจชอบอไม่ต้องมาบังคับกันไม่ต้องมากำหนดกันใครจะทำอะไรก็ตามใจ ถ้าใครเข้าใจว่าอย่างนี้ไม่มีนิถังยิจนิถะยิถังว่าไงมีเข้าใจว่ามีอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฐินี่มิจฉาทิฐิสามข้อแรกนิถะทินังนิถะยิถังนิถะหูตังการให้ทานผู้ให้ทานนี่ไม่ตรงมี้ การมีพธิธีการยันย์พิธีต่างๆรูปแบบต่างๆไม่ตรงมีะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีผลอะไรไม่มีผลดีผลดีอะไรละ่ะหุ่ตังการสังเวยการบูชาการกระทําจิตไม่มีไม่มีผลอะไรละ่ะไม่ตรงมีะสมตัวนี้เป็นหลักตายเลยที่จะต้องมีอยู่ในสังคม ถ้าในสังคมนี้ไม่มีสามหลักนี้นั่นคือสังคมที่ล้มเหลวแล้วสังคมที่สลายสิ้นสังคมหรือสิ้นชาติมนุษย์ที่จะเป็นสัตว์โคลงที่จะอยู่กันอย่างสันติอยู่กันอย่างสามคัคคีอยู่กันอย่างเป็นสุขสงบไม่มีแล้วถ้าสามตัวนี้ไม่มี นี่เราต้องทำความเห็นให้เป็นสัมมาเป็นสมาธิให้ได้นะมิจฉาทิฐิสิบเดี๋ยววันนี้จะไล่ไปให้ดีๆนะตั้งแต่หนึ่งนิทะทินังสองนิทะิถังสามนิทะหุตังฮะเออนัตถิอภัยนัตถิเาถขอเอาอภัยพูดมัดผิดก็จะต้องนิทะนัตถิโมนิทะได้ นัตถิทินังนัตถิยิทังนัตถิมุตังอขอแก้หน่อยอว่าการให้ไม่มีไม่มีผลผู้ให้ไม่มีไม่ต้องไปคํานึงไม่ต้องไปคํานวณอะไรกันนัตถิทินังนัตถิยิทังพิธีการรูปแบบอะไรไม่ต้องมีหรือว่าไม่มีผลอะไร นัตถิหุดตังสังเวอยไม่มีการบูชาการกระทําในจิตใจตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอะไรให้เป็นอย่างนั้นเพื่ออย่างนั้นไม่มีไม่มีผลอะไระนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสามข้อแรกซึ่งได้กำชับแล้วว่าถ้าไม่มีในสังคมมนุษย์หม่มนุษย์นั้นไม่มีสิ่งอย่างนี้เรียกว่าได้ล้มเหลวแล้วในสังคม มนุสยชาติสิ้นสังคมมนุษย์แล้วสิ้นสันติสุขแล้วแน่ๆเลยแต่ถ้ายังมีอยู่ยังพอเห็นสันติสุขได้บ้างถ้ายิ่งมีอย่างเข้าใจและตั้งใจทำกันจริงๆเลยยิ่งมีอย่างดีนะต่อไปอีกสามข้อจําทีละสามข้อสามข้อแล้วก็ไปตบท้ายอีกหนึ่งมันจะเป็นสิบนะิจชาทิฏฐิสิบมัน ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ10ข้อที่สหรือว่าสามอีกสามข้อที่สองจะเป็น6นัตถนะิทุ ก, กะตะสุ ก, กตานังกัมมานังพลังวิปากโกเห็นว่าการกระทำดีกระทำชั่วนะกรรมหรือการกระทำการงานที่กระทำ มันถือว่าดีถือว่าชั่วมันไม่มีผลวิบากไม่มีผลไม่มีวิบากไม่มีอะไรแล้วก็ททำไปเถอะมันไม่มีบุญไม่มีบาไปแล้วการกระทำก็มันไม่มีผลเป็นผลว่าจะต้องไปสืบเนื่องอันนั้นต่อนนี้ทำชาตินี้แล้วจะไปต่อชาตินั้นทาวันนี้แล้วจะเป็นผลสืบเนื่องไปต่อวันหน้าไม่มีนะนักถิไม่มีถือว่าไม่มี ยิ่งล้มเหลวหนักไปใหญ่มนุษย์ที่มีความคิดเห็นอย่างนี้ยิ่งล้มเหลวหนักไปใหญ่มนุษย์ทุกวันนี้คิดเป็นอุดเฉจทิฏฐิคิดเป็นมนุษย์ที่ก็ตายแล้วสูญไอ้สืบต่อไม่มีประมาทอย่างนี้แล้วแม้ปัจจุบันนี้นี่ทำขณะ น, นี้อันหน้าไม่มีคืออันต่อไปอทิฏฐิต่อไปก็คือ นัตถิอยังโลโกและข้อที่หก็นัตถิปรปโรโลโกคือก็บอกว่าโลกนี้มันก็ไม่มีมันเป็นนัตอะนัตตามันเป็นศูญยตามันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรอะไรอะไรก็ไม่พีพวกนัตถิจริงๆเลยพวกนัตถิกะทิถิเดี๋ยวนี้คนกําลังเข้าใจเป็นอุเฉทิฐิขั้นนัตถิกะทิฐิ เป็นการขาดศูนย์จนกระทั่งเลยเถิดมาว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันไม่มีของเขาของเราอะไรมันไม่มีตัวกูของกูอะไรมันไม่มีอะไรมันเป็นละครมันเป็นบทบาทไปเฉยเฉยทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นอะไรหรอกมันเลยเถิดมาอย่างนี้กันมากแล้วเพราะเขาสอนอนัตตารมกันเขาสอนสุญญตากันก่อนจะสอนอัตตา ก่อนจะสอนสิ่งอาศัยสิ่งมีก่อนจะสอนสัจจะชนิดหนึ่งคือสมุติสัจจะหรือสิ่งที่มารู้ร่วมกันว่าสิ่งนี้ยังอยู่สิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้เป็นองค์ประชุมสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสิ่งนี้ยังเป็นยังมีอยู่ในโลกเขาไม่ได้สอนอย่างนี้เขาเร่งร้อนเร่งรัดเขาไปเอาปลายมาเป็นต้นเขาไปเอาอนัตตามาสอนก่อนเขาไปเอาสุญตามาสอนก่อน แล้วเขาบอกนี่ยอดจริงเป็นความรู้ยอดแต่เขาก็สอนไม่มีเบื้องตนงน้นไม่มีท่ามกลางไม่มีบรรปลายศีลไม่มีสมาธิไม่เอาเอาปัญญาเอาเหตุผลเอาตักกะเอาความสอกสูงเป็นปลายมาสอนกันศาสนาเดี๋ยวนี้พวกปัญญาชนเรียนอนัตตาเรียนสุญญาตาเรียนไม่มีตัวกูของกู แล้วก็เลยกลายไปเลยเถิดว่าอนัตตาไม่มีไม่มีตัวตนอะไรไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรของเราของเขาอะไรเพราะฉะนั้นก็อยู่ไปเถอะตายแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีมีที่ไหนวิญญาณเป็นตัวเป็นตนมีที่ไหนไม่มีตายแล้วมีอะไรอีกไม่มีไม่มีพวกนั้นอัตตาพวกเป็นอัตตามีอัตตาตายแล้วมีอะไรต่อต่อไปอีกเป็นอัตตาตายแล้วก็เลิกกัน อนัตตาทุกอย่างอน Allison, you, 250, ัตตาทุกอย่างศูนย์เขาสอนกันอย่างนี้พร่ำสอนกันอย่างนี้ทีนี้การคํานวณด้นเดาก็คํานวณด้นเดาก็บโอ้ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่มีอะไรสินี่เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรานี่เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็รวมๆกันอยเฉยๆเพราะฉั้นไม่เป็นไรหนักเข้าก็เป็นว่าจะศพเอามีดดาบผ่านเข้าไปนี่ก็ผ่านไปในอนุเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกผ่านอนู เสร็จแล้วมันก็จบเขาก็สอนกันอย่างนี้โลกหน้าไม่มีโลกนี้เขาก็ไม่มีซะแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าโลกนี้ยังมีอยู่ตัวตนยังมีอยู่เครื่องอาศัยยังมีอยู่ลมหายใจยังมีอยู่ความรู้สึกยังมีอยู่ทุกยังมีอยู่สุขยังมีอยู่ความโลภยังมีความโกรธยังมีเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เขาก็บอกว่าก็อยู่ไปกันละกัน มีความรู้ตื่นตื่นว่าก็ขยันมันเพียนอย่าทุจริตหยาบหยาบคลายๆอะไรอย่างนี้ทุจริตอย่าทำอย่างนี้ทุจริตรู้แน่ๆแล้วอย่าทําเขาก็มีความรู้ตื่นตื่นเขินเขินพวกนี้อยู่ประกอบเด็กเขาก็ทําตนกันเป็นผู้ไม่มีผลระวิบากผู้ไม่มีโรคนี้ไม่มีโรคนาไม่มีความสืบยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะสืบต่อไปมีฤทธิ์มีฤทธิ์ต่อแรงต่อไปข้างหน้า ไม่มีเขาจะเข้าใจกวนเขาจะเข้าใจห้วนเข้าใจกุดเข้าใจสั้นลงกลายเป็นอุจเฉทิฏฐิขาดศูนย์ตายแล้วไม่มีอะไรต่อพวกนี้ออกนอกจากศาสนาพุทธแล้วไปเป็นพวกลูกศิษย์ของพวกนัตติกะทิฏฐิพวกอุเฉทิฏฐิซึ่งมีมาสมัยไหนๆก็มีสมัยพระพุทธเจ้าก็มี เข้าใจว่าตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีอะไระตัวตนไม่มีของเราของเขาไม่มีมันก็สักตะว่าเท่านั้นแหละนี่มันสักตะว่าสักตะว่าเนื้อสักตะว่านังสักตะว่าความรู้สึกแล้วก็เลยไม่สำคัญในกรรมกรรมเป็นทุกะตะก็มีอยู่และมีแล้วเห็นอยู่ ไม่มีไม่รู้เรื่องทุกกะตะสุกตะนังไอ้ที่กรรมดีมีระเบียบดีมีกฎดีมีการกระทำที่ดีตามรูปรอยรูปร่องที่ดีเขาก็เห็นว่ามันไม่เป็นอันธรรมกรรมไม่เป็นอันธรรมไม่มีผลไม่มีวิบากไม่มีความสืบเนื่องที่จะไปต่อเป็นผลเป็นวิบากอัไลายไปอีกไม่มีนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ขณะนี้อาตมากล้าบอกได้ว่ า, าศาสนาที่มีแนวสอนอย่างนี้และได้อบรมกันมาอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเพีย้ยนเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิดังที่กล่าวแล้วกลายเป็นนัตถิกะกลายเป็นอุเฉ ท, ทิฏฐิกลายเป็นคนเห็นว่าไม่มีกรรมไม่มีก า, การกระทําไม่มีผลอะไรเป็นแต่เพียงก็รู้ธรรมดาธรรมดาสามัญตามปัญญาอันนี้มันชั่วอย่าไปทำที่เพราะฉะนั้นชั่วหยาบจริงๆ ถ้าเขาไม่เกิดกิเลสแท้ๆ แ, แรงๆเขาไม่ทำพวกนี้เขามีความสามารถคนพวกนี้ค่อนข้างมีปัญญาค่อนข้างมีสมรรถภาพเลี้ยงตัวได้รู้ว่าขี้เกียจไม่ดีเขาก็ขยันพอสมควรอยู่แล้วเขาก็ทำงานทำการอยู่ในสังคมเป็นผู้บริหารเป็นเศรษฐีเป็นคนควบคุมเศร ษ, ษฐกิจอยู่ในประเทศไทย คนพวกนี้มีศาสนาในความหมายลักษณะอย่างนี้แล้วคนพวกนี้ไม่คายไม่ขายมีก็ไม่คายสะสมไม่ปล่อยออกจะบอกว่าให้มันดีก็เข้าใจก็ให้บ้างเล็ ก, ล ก, ล ก, ล ก, ลกๆน้อยๆร่ำรวยสะสมก่อโกยมีทุนมีรอนมีแรงริดดู ด, ดมือยาวสาวเอา้าทุจริตที่ซอนๆอนบางๆธงทุจริตที่คนไม่เห็นได้ไง่ายๆได้ช่องไดโอกาส เขาไปเป็นผู้บริหารเขาปเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาสิ่งพวกนี้มันลึกๆซึ้งๆ ซ, ซ่อนได้บังได้อยู่คนไม่อาจเห็นได้ไ ง, ง่ายๆพวกนี้มีปัญญารู้ช่องอยังเอาอยัางกอบอยังโกยังทุ จ, จริตเพราะเขาเห็นว่าก็าไม่เห็นเป็นไรนี่เขาเอามาแล้วก็กิกนเขก็ใช้ชีวิตที่ตายแล้วกดศูนย์ไม่มีอะไรต่อ คนที่เข้าใจอย่างนี้มีอยู่หลากหลายในสังคมไทยเพราะว่าคำอธิบายศาสนาแบบนี้ทำให้เข้าใจเคว้เควแบบนี้มีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสังคมแก้ไม่ได้เพราะผู้บริหารเองมีความคิดอย่างนี้ผู้ที่กลุมอำนาจเศรษฐกิจเองมีความคิดอย่างนี้เป็นเศรษฐีพูดใยเลยอาตมาพบกับตัวเอง เป็นเศรษฐีเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายบอกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกเธอทุกอย่างไม่มีตัวกูของกูอะไรหรอกอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรเลยแต่ขี้ก็ไม่ให้หมากินขี้เหนียวดอกเบี้ย่างี้ลดไม่ได้เลยปากพูดบอกว่าจะลดให้จะลดให้พอไปเอาเข้าจริงไม่ลดเจอะมาแล้วอาตมาเจอะมาแล้วเศรษฐีร่ำรวย แล้วก็เข้าใจาศาสนาแบบนี้พูดจ้อยเลยโอ้ไม่มีตัวตนตัวตนไม่มี อ, อนัตตาเด้อไม่มีอะไรหรอกพูดจ้อยเลยสังคมเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะเข้าใจาศาสนาเพี้ยนเข้าใจาศาสนาพุทธเพี้ยนเอาปลายมาเป็นต้นสอนปลายไม่สอนเบื้องต้น ให้งามเป็นอาทิกัลยานังเป็นมัตเฉกัลยานังเป็นปริโยสานกัลยานังมันไม่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางบปลายที่งามไปเป็นลำดับอันนี้เป็นข้อบกพร่องอันนี้ได้เกิดแล้วที่อาตมากล้าพูดเพราะว่าถึงเวลาจะต้องเปิดเผยะจะต้องบอกจะต้องกล่าวกันจะต้องทำผู้ที่เข้าใจรู้อยู่ว่าอาตมาพูดนี้หมายถึงคาสอนของกลุ่มไหนอาจารย์ไหน อาจารย์อาจจะสอนถูกแต่เน้นน้อยไปหรือว่ากำชับกำชา ก, กันน้อยไปแต่มันไม่ถูกจริงๆตรงที่ว่ามันไม่ได้มาตามเบื้องต้นทำกลางมันปลายไม่ได้เน้นศีลไม่ได้เน้นสมาธิอย่างสมาอริยมรักแต่เน้นปัญญาเป็นใหญ่แล้วเขาก็เก่งทางปัญญาตร ก, กะกันจริงๆด้วยเก่งจริงๆด้วยแล้วก็พวดถึงอนัตตาพวดก็เอาสุญญาตามาพูด รวดก็ไม่มีตัวกูของกูมาพูดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆและคนก็ช่วยเอาง่ายงพวกปัญญาตักกะช่วยเอาความคิดนี้ไปยึดเป็นอุปทานยึดเลยเป็นทิฏฐุปาทานเลยยึดเข้าไปเลยยึดได้ความเห็นอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิกลายเป็นผู้ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีกรรมเป็นอันรม ไม่มีกรรมเป็นนันทเพราะฉะนั้นเขาไม่ระมัดระวังกรรมเท่าไหร่ระมัดระวังก็ตามสามัญสำนึกว่าก็กรรมหยับหยาบกายกรรมไปขโมยเขาหยับหยาบไปฆ่ารันฟันแทงเขาหยับหยาบอย่างนี้ก็แน่แล้วก็เลี่ยงน้อยทุจริตหยาบสามัญสำนึกไขมันก็รู้เขาก็ไม่ทําแล้วเขาก็มีความสามารถด้วยเขาก็ได้ในความสามารถเขามีฝีมือมีสมรรถภาพมีมันสมองสูงคนพวกนี้อยู่ในประเทศไทยนี้เป็นคน กลุ่มอำนาจในสังคมเพราะกลุ่มอำนาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจกลุ่มอำนาจทั้งทางด้านบริหารเพราะฉะนั้นขณะนี้บอกให้ได้เลยว่าประเทศไทยมีาศาสนาพุทธแนวนี้และเขาก็ไม่คายเขาก็เอาไว้ตายแล้วมันก็เป็นของคนอื่นไปเองนะมันไม่ใช่ของกูของตูของเราของเขาอะไรหรอกและเขาก็ไม่คายเลยอำนาจก็ไม่ปล่อยทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่ปล่อย ก็ถือว่าอย่างนั้นอ่ะทานไม่มีทิ้นนังไม่มีจะทานก็ทานเล่นๆโห้หว่าทานไปงั้นน่ะไม่เคยคิดเลยว่าการให้นี่เป็นบุญการทานสละหมดตัวได้ยิ่งเป็นคนประเสริฐยิ่งเป็นคนจริงเป็นคนดีเขาไม่เคยมีความผิดคิดอย่างนี้เขาไม่เคยดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าวสละหมดตัวไม่เคยเขาบอกไอ้นั่นทรมานตนเขากลับอธิบายอย่างนี้ด้วยทรมานตนมาทําอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเขาหัวรอกเยอะเขาหัวรอเยอะพวกเรา เขาว่าว่ทรมานตนมีดีมีอยู่กินดินดีไม่ดีมากินมื้อเดียวมาเสื้อผ้าหนาแพ้ก็มาใส่มอซอเดินเท้าเปล่ามาทำเป็นเคร่งเป็นขึงอยากดังเขากรับว่าอย่างนั้นจริงๆด้วยเขาว่าอัางนั้นถ้าเราไม่เข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งเราก็ทนการเสียสีเหล่านี้ไม่ได้ เขามีเหตุผลมากเพราะเขามีปัญญาก็ามีเหตุผลมากเขามีปัญญาพวกมากเลยนะพวกหมู่ที่เข้าใจอย่างนี้มากเลยนะเพราะว่าสอนมาก่อนอาตมาแพ่สัจธรรมแบบนี้มาก่อนอาตมามีหมู่มากพวกมากตารายเยอะแล้วก็มีขุมกําลังเพราะว่าผู้บริหารผู้เป็นนายทุนผู้เป็นนักเศรษฐกิจ ที่ควบคุมอํานาจของสังคมอยู่มากศึกษาอย่างนี้เขาไม่แยแสพวกที่อัตมามาเผยแพร่ในรัติที่มหัดจนมากล้าจนมากล้าสละมีทินนั่งหัดให้หัดเสสล่ ภ, ภาคภูมิในตนเองว่าเราก็มีสมรรถภาพเราก็มีฝีมือเราก็มีมันสมองเราก็ขยันเราก็ทํางานเราสามารถจะเลี้ยงตนได้เราหัดกินน้อยใช้น้อยหัดกินน้อยใช้น้อยนี้ไม่ใช่ว่าหัดกินน้อยใช้น้อยแล้วเราก็เบียดเกษียณตัวเองไม่ใช่ พิสูจน์ว่าคุณสุขภาพคุณพอหรือเปล่าเข้าใจให้ลึกซึ้งกินวันหนึ่งมื้อหนึ่งกินอาหารก็ไปนี่เลี้ยงขันนี่ยังกายอยู่มีแคลอรี่พอเพียงทํางานในวันหนึ่งเต็มที่ขยันไปเถอะเต็มที่คุณทําได้ไหมสุขภาพสมบูรณ์คืออะไรพิสูจน์ว่ากินมื้อเดียวเนี่ยมีอนิสงถึงหประการได้จริงอย่างพระพุทธเจ้าทาตรัสไว้ไหมตรงตามทำต า, ามวินัยตามหลักฐานไหมจริงไหม แล้วเราก็จนกระทั่งมามียึดถังมามีกฎมีระเบียบมีรูปแบบว่าเรากินมื้อเดียวกันได้เป็นรูปแบบเป็นประเพณีให้แก่คนอื่นสืบเนื่องต่อไปเราทําได้ไหมเราเสียสละการกินอีกทั้งสองมือ้อสามมือ้อเรามีถินนังเรากินมื้อเดียวเป็นรูปแบบเป็นยึดถังเรามีจิตทําอย่างนี้ก็ระดึกถึงว่า โ, โอ๋หนอ พระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูเป็นสมเด็จพ่อเป็นบรมตัวอย่างท่านก็กินมือเดียวแล้วเราก็รู้ประโยชน์รู้อนิสง์ถึงแท้เข้าใจเราไม่ใช่คนโง่เราไม่ใช่คนหลงละเมอเราทำได้เหมือนอย่างท่านหูตัง้งสังเวยบวงสวงบูชาะระลึกถึงลูกได้ทำตามพระยุคลบาททำได้แล้วเป็นกะตะาญเกิดญาณรู้เป็นสุกตัก สุกตังเป็นการกระทำได้แล้วดีแล้วเราเร า, เราได้ระลึกอยู่เราได้บูชาอยู่เราได้รักษาให้เที่ยงมั่นอยู่ให้เป็นแบบอย่างแก่มนุษย์อยู่อันนี้ยกตัวอย่างประกอบว่าของเราทำแต่ที่อื่นก็ดูถูกเล ย, เยบ้าบ้าบอ ข่านิยมของโลกเขากินสามื้อยังไม่พอเขายังมีกินอาหารว่างเขายังมีกินอาหารพิเศษตอนดึกเขายังมีกินเล่นกินหัวอะไรเขาไม่เคยลึกนึกรู้เลยเขาไม่เคยมีโภชเนมัตัญยุตตาเขาไม่เคยมีมัตัญยุตตาจาพัพพตสัมิงเขาไม่เคยมีวิกาลโภชนาเขาไม่ไม่เคยมีอาหารเรปฏิกูลสัญญาเขากลับบอกว่าการปฏิบัติธรรมมาเกี่ยวแล้วกับอาหารการกินนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่นี่ อาตมาขอยืนยันว่านิพพานอยู่ที่อาหารการกินเนี่ยปฏิบัติรูป้ปฏิบัติให้แจ้งถึงว่าอาหารการกินนี่จะพาไปถึงนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้ในโอวาทปาติโมกมัตตัญญาตจะพัตสมิงนี่เป็นหลักกลางเลยนะเรื่องอาหารนี่แหละพาให้บรรลุสอนกันเรื่องอาหารนี่แหละโพชเนมัตตัญญาตจะอยู่ในจารณะสห้าซึ่งจะเกิดวิชาจา ร, รณะสัมปันโน จะเกิดวิชาสุดท้ายบรรลุธรรมแม้แต่ในศีลวิการโภชนาท่านก็นบรรจุไว้ชัดชัดแจ้งแจงสําคัญนะการกินนี่เป็นเรื่องที่จะเดินทางเข้าสู่นิพพานพิจารณาแล้วเรียนรู้มามัวเถี่ยงกันไม่กินเนื้อสัตว์กินผักกินพืชเรื่องอาหารการกินมันไม่เกี่ยวจะต้องไปนิพพา น, นไม่เกี่ยวจะต้องเป็นธรรมะอะไรมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจ พูดคำพูดออกไปอย่างนั้นก็อยุดที่ใจสิไอาการกินนี่กิเลสมันก็อยุ่ใจเรานี่แหละถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะมาลางมาละอะไรได้เพราะฉะนถ้าเราไม่เข้าใจลึกซึ้งเราก็ทนเสียดสีไม่ได้เราก็หนีการสะสมไม่ได้ถ้าไปเข้าใจผิดอีกก็ไม่นิยมการสร้างสรรค์ากายเป็นรูสีเดียรทีอีกทางหนึ่ง กลายเป็นคนไม่มีพฤติกรรมไม่มีการงานนั่งกินเยี่ยวขี้ดีเทาไถ้าเพ้อว่าเข้าใจหน่อยนึงไม่สืบพันไม่มีเมธุนธรรมก็ยังไม่เท่าไดมาเพราะลูกสร้างคนขึ้นมาท่วมโลกอีกก็ยังดีก็เป็นนั่งอยู่ป่าเขาทำมุดอยู่ในกุฏในอะไรนั่นก็เป็นอีกทิศทางนึงซึ่งเราก็พูดมาหลายวันแล้ว เรื่องรูสีเดรัีอย่างนั้นเป็นทิศทางไม่เคาเรงวันนี้ก็เน้นทิศทางอีกทางหนึ่งที่หลงปัญญาอันนั้นหลงศรัทธาอย่างรูสีเดรัีนั้นหลงศรัทธาหลงเจโตอันนี้หลงปัญญาได้ปัญญาแล้วปัญญาก็เฟื่องปัญญาก็เลยเถิดเรียนเอาปัญญาเอาใจตักกะวิทยาได้แต่ลอยหิกมีแต่เหตุแต่ผลฟุ้งเก่ง พวกคุณนี่บางทีส่งเขาไปถกเถียงเขาเถียงก็ไม่ทันแล้วเถียงก็ไม่ทันแล้วถ้าไม่มีเหตุผลหรือว่ามีปฏิพาณมีความจริงมีความรู้เพียงพอยันเขาไม่อยู่อาตมาเราเคยมายันตั้งแต่เริ่มแรกออกเผยแพร่ธรรมะยันกันอยู่วัดมห า, าธาตุลูกศิษย์อาจารย์อะไรมากันยันกันจนถึงที่ถึงแกนเขาจึงหยุดแล้วเขาก็เกิด ชงักคนที่รับรู้ได้เขาก็ได้คนที่รับรู้ไม่ได้เขาก็ยังยึดถือเป็นทิฏฐิของเขาเป็นทิฏฐุ ป, ประทานของเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็ตายไปทางอย่างนี้สอนใจๆๆๆตัวเอ ง, งสูบบุรีจนสุดท้ายตายตายกินยังลิ้มยังอะไรเออผมเป็นโรคผมจะต้องกินแต่สอนอดีตไปสอนนเป็นนักธรรมะเป็นนักโอโหเป็นหัวหน้าองค์การ พุทธศาสนาเลยทีเดียวแล้วก็กทำซ้อนกันไปตัวเองแม่แตะบุรี่ตัวหนึ่งก็ทิ้งไม่ได้ตั้งตั้งแต่คณะเขากำลังเกตบุหรีแต่ตัวเองก็ทิ้งบุหรี่ไม่ลงสูบจัดด้วยอย่างกินยังใช้อย่งอางอะไรอไรก็เผยแพร่ศาสนาก็แค่นั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจกรามไม่เข้าใจรูปรถกินเสียงสัมผัสไม่ลถไม่ละการกินการใช้อะไรพยายามทําให้โด่งดัง ในเรื่องเผยแพ ร, ร่ลัทธิเหล่านี้ลัทธิแบบนี้ก็ออกไปกว้างโน้มเอเ็นไปในทางอุดเฉนะกลายเป็นกรรมไม่เป็นอันทำรรการกระทาไม่เป็นผลโน้มเอเ็นไปในทางนัตติกะทิฏฐิสิ่งนี้เกิดแล้วเป็นจริงลงในสังคมเราจะต้องมาล้างเราจะต้องมาแก้ไขศานะ ส, สนาความเห็นอย่างนี้ยึดเอา ความรู้ภูมิฐานอย่างนี้อยู่ในสังคมขณะ น, นี้โดยเฉพาะสังคมปัญญาชนกำลังมากอาตมาระมัดระวังอยู่คอยจังหวะเวลาที่จะค่อยๆค่อยๆตีแตกประเด็นนี้ขณะนี้ได้โอกาสได้เวลาและอาตมารเริ่มมาพอสมควรแล้วแต่อาตมาไม่ต้องการรบราข่าฝันไม่ต้องรบราตีกันไม่ต้องรบทะเลาะวิวาทกันแต่เราจะทำสงครามอสูรและเทวแน่นอน เราจะต้องทำความเห็นให้แจ้งกันทำความรู้ให้จริงจังกันเราจะต้องล้างสิ่งผิดยืนยันในสิ่งถูกต้องมาพิสูจน์กันมากระทำกันให้ถึงที่เพราะฉะนั้นถ้าพูดไปอย่างนี้ผู้มีปัญญาฟังก็จะรู้แล้วพะเราแก้ไขปัญหาสังคมทุกวันนี้โดยาศาสนาถ้ า, าศาสนามันไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องมันยังมีมิจฉาทิฐิอย่างนี้อยู่ มันแก้ไม่ได้แก้ไม่ลุดและมันก็แก้ไม่ลุดจริงๆแต่เสร็จแล้วก็บอกผมยังเลิกไม่ได้บุหรี่ผมยังสูบอยู่ผมยังเข้าสังคมเล่าผมก็ยังต้องกินสินห้าผมก็ไม่บริสุทธิ์หรอกแล้วกับมีศาสนาแบบนี้มีศาสนาแบบนี้มันจะไปแก้ได้อะไรก็คิดดูซิอย่างนี้คนเหล่านี้บอกแล้ว่ามีสมรรถภาพมีปัญญาฐานะดี อยู่ในฐานะผู้บริหารผู้ควบคุมอำนาจสังคมอยู่เพราะฉะนั้นลมลางยากมากลมลางยากมากเราก็จะพยายามปรารถนาดีให้เห็นว่าความเห็นอย่างนั้นเป็นความเห็นผิดนาะบาปนะบาปเป็นบาปและผลก็วิบากกรรมเป็นอกุศลอยู่เป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อตัวเองและมนุษย์อื่นๆ เป็นแก้ไขไม่ได้เพราะไม่คายอย่างขี้เหนียวยังไม่ละโลภะไม่ละราคะไม่ละเพราะเป็นไรเนี่ยอยู่บนมันเหนือมันเศรษกามในจิตว่างไปนี่มันผิดเพี้ยนไปจนป่านนี้เสรษฐกามในจิตว่างได้กินไปบเฉยเฉยที่จริงเขาไม่รู้นะเขาไม่เข้าใจอภิธรรมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะต่อต้านพระอภิธรรมที่สอนจิตเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงอาการของจิตเป็นยังไงอย่างนี้เขาต่อต้านเพราะเขาไม่รู้จิต เขารู้แต่ปัญญาผกผันเพราะันศาสนาทิ์นี้จะต่อต้านอภิธรรมไม่เข้าใจว่าอภิธรรมคือตัวรายละเอียดของจิตต่างๆที่เขาสอนจริงอาจจะมีตัวเกินผสมผสมผส ม, ผส ม, มาแกจีอาจารย์รุ่นหลังบัญญัติอะไรแต่ไรผสมเพิ่มในอภิธรรมบ้างจริงมีแต่ในหลักใหญ่เขาก็รวบรวมมาจากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็มารวมเป็นหัวขอ้อเป็นหมวดหมู่เป็นอะไรก็แยกแยกสู่กันฟัง มีประโยชน์อย่างอะไรดีถ้าทเรียนถ้าศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจอาการของจิตเจตสิก ต, ต่างๆอโอ้ยุ้ลึกซึ้งดีผู้ที่สนใจศึกษาจริงก็จะเห็นดีแล้วเราก็ออกมาเรียนรู้ต่อสภาวัธรรมที่แท้แล้วก็โลดจิตล้างจิตเราจะเข้าใจจิตจริงๆไม่จะมีแต่ปัญญาไม่จะมีแต่ปัญญาวิมุติที่จริงก็ไม่วิมุติเลยซ้ำ มีทั้งปัญญาวิมุตเเตะเจโตวิมุตต์เราจะถึงได้จิตที่มันวิมุตต์จริงเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะเข้าใจเพราะศาสนากลุ่มที่ว่านี้ปัญญานี้จึงทะเลาะกับปัญญาอีกชนิดหนึ่งคือปัญญาทางอภิธรรมซึ่งเขาไปเรียนรู้ตัวจิตอันนั้นไปเรียนรู้ตัวผกผันปัญญาลอจิกอันนี้มาเรียนส่วนพวกอภิธรรมก็เรียนยุดติด กลายเป็นศัสตะทิฏฐิไปอีกเป็นอัตตาตัวโตโตตึงโต้งบงบงเบ่งเบ่งไปเลยเจ้อถือบวงสวงบูชามีอันนั้นเกิดต่อเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเล่นลิเกละครกันไปอีกจนกลายเป็นศัตสตะทิฏฐิสุดท้ายก็เป็นเทวนิยมเป็นเดยิสมกลายเป็นบวงสวงสงเวรมีริดมีเดชแบบเดรฉานิชา กลายเป็นเหมือนศาสนาโบราณทึ่มีกอดมีพระเจ้ามีพระพรหมมีพระนารายมีเทวะที่นิรันด์นี่ศรัท า, านี่คือ น, นิรันด์เกิดไม่มีตายส่วนปัญญาพนิษฐ์ตายแล้วไม่มีเกิดนี่มันสองฝั่งพวกอภิธรรมจริงๆก็เรียนแล้วก็ตายกลายไปเป็นศรัท า, าทิฐิตายแล้วก็เกิดนิรันด์มีเทวะนิยมมี universal soul เหมือนกับยังที่เ็าเรียนกันสุดท้ายก็ไปหาพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าพิพากษามีบาปมีบุญถ้าบุญก็อยู่กับพระเจ้าถ้าบาปท่านก็ส่งไปลงนรกไม่มีการสูญสิ้นไม่มีอรหัตผลไม่มีการขาดได้ไม่มีอุดไม่มีสมุดเฉทัถ้าเรามาปฏิบัติเห็นสมุดเฉทัเห็นการขาดสูญอยู่ต่อเนื่อง เห็นสุญญาตาต่อเนื่องไหลเวียนอยู่ชัดเจนคือเห็นอัาธาไม่มีกิเลสไม่มีละอัศธารสสนิยมรสอร่อยของโลกที่มีไม่มีมมละเราเป็นคนในโลกแต่เราไม่ได้หลงรสอร่อยในโลกกิเลสไม่มีเห็นว่ากิเลสเป็นอาการอย่างนี้แตกต่างกับความไม่มีกิเลสอย่างนี้มีเหลือน้อยก็เป็นอย่างนี้ไอ้เหลือน้อยกับมีอยู่มากก็ต่างกัน หรือเหลือน้อยกับไม่มีเลยก็ต่างกันเห็นอาการเห็นความแตกต่างเป็นลิงคะมีนิมิตหมายมีเครื่องหมายมีสภาวะที่เราสัมผัสติดรู้ได้ได้วยปัญญายาณทัศนบิเศษเห็นได้ได้วยตนเองชัดแจ้งพูดกันก็นรู้เรื่องได้บ้างแม้จะยากอ น, นิทัศนังยากที่จะสื่อให้รู้ได้อย่างง่ายๆอ น, นิทัศนังให้เกิดทัศนะได้ยากก็ตาม เราก็อย่างเห็นแม้เป็นจิตเป็นวิญญาณไม่มีตัวตนแต่รู้อาการลิงคนิมิตอุทเทศเราต้องรู้รูปนามด้วยลักษณะ4นี้รูปไม่ใช่มีแต่สีไม่ใช่มีแต่ภาพผัง น, นอกตารูปแม้แต่ในจิตก็เป็นรูปประจิตอะรูปประจิตมันเอาวิจารอยู่เป็นรูปาวิจารจิตอะรูปาวิจารอยู่เราก็รู้ว่ามันอาวิจารอยู่มันกําลังดําเนินอยู่บทบาทมีปฏิกิริยามีอาการ เห็นชัดเจนแล้วเราก็ลดลงไปหาสภาพสะอาดว่างสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิธาประโยชน์ธาตากลายเป็นอุเบกขาชัดดังที่อธิบายไปให้ฟังแล้วเสมอๆว่าอุเบกขาลักษณะหประพัดซ้อนสะอาดนั่นคือความว่างอยู่เห็นความว่างเห็นความขาดสูญจากกิเลส ต, ต่อเนื่องเียว่าสมุดเฉด ท, ทาได้เด็ดขาด สมะบอกอุดเชตะสมะก็คือการเนื่องการมีการเป็นอยู่เสมอการเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อเนื่องอยู่อุดเชตะเราเห็นความสูญขาดสิ้นอยู่จริงๆมียานทัศนวิเศษเห็นจิตเห็นอาการจิตจิตเห็นจิตที่บริสุทธิ์ประพัสสรัางมิทังจิตตังเห็นจิตบริสุทธิ์อาคันตุเกไม่มีแขกจอนไม่มี ไม่ใช่เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่เป็นเด็กเป็นจิตสะอาดไม่มีกิเลสตามมาไม่ใช่เด็กเกิดมามีกิเลสมาทุกคนอย่างนี้นเป็นความเห็นผิดตามกันไม่ใช่จิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์คือเดิมคือจิตที่มากับกิเลสก่อนมาเขาก็ไม่รู้มากับกรรมเขาก็ไม่นับเพราะเขาไม่นับอดีตต่อโผล่เพร่อมาเกิดนี่อยู่ในร่างนี้ตายแล้วก็ไม่มีต่อนี่พระ อ, อุเชเขาเข้าใจอย่างนี้ อุเฉ๋เขเข้าใจอย่างนี้อย่าว่าจะเกิดมานี่เลยแม้แต่พระโพธิสัตว์ตั้งจิตที่จะเกิดนี่ก็ถือว่ามีกิเลสเป็นวิภวตัณหาอันนึงพระโพธิสัตว์สุมเมธดาบทบรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าสุมเมธาดาบทนี่คือปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วท่านได้อรหัสตะโพนแล้วบอกอ๋อถึงแล้วเข้าใจแล้วเราตายศูนย์ก็ได้แล้วอยากตรงนั้นเลยเราจะขอบังเพลิเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าต่ตอแล้วท่านก็เสียสละชีวิตเป็นพระโพธิสัตว์นี่เปื้อนอย่างอาตมานีนเปื้อนนอนเหมือนกับสมัยทว่าแล้วท่านก็นอนพาดเป็นสะพานให้คนอื่นเดินข้ามไปเธอจงข้ามฝั่งไปถึงอรหัตผลเธอจะสูญจงเชิญสูญเราจะเสียสละเป็นสะพานให้เธอเดินเหยียบย่ำแปดเปื้อนข้ามไปเราเสียสละ เหมือนสุเมธาดาบทเดินทอดเป็นสะพานให้ใผู้อื่นอาศัยข้ามไปข้ามไปเถอะให้ถึงฝั่งแล้วเราก็ทำงานาพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้เสียสละเรารู้ว่านี่เป็นทินนังนี่เป็นการให้นี่เป็นการเสียสละเราทานี่เป็นสัจจะแต่จะเพิ่งอวดดีตัวเองยังไม่หลุดยังไม่พ้นยังไม่มีสมุดเฉด ท, ที่แท้ ยังไม่มีความจริงที่ถึงที่อย่ารีบร้อนเบื้องต้นทํากลางบรรปลาให้งามให้กัญญาณังให้งามให้หมดจดผ่องแผ้วให้จริงให้ชัดอย่ารีบร้อนแต่เราก็ไม่เฉื่อยช้าเราต้องบําเพ็ญต้องภาคเพียนอุตสาหาวิริยะขยันศึกษาบําเพ็ญประพฤติเสมอเ ส, สมอแล้วเราก็จะ ถึงที่สุดแล้วเราก็จะช่วยได้คุณจะตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ต่อก็ไม่เป็นปัญหาแม้โพธิสัตว์ตั้งจิตต่อจนะิตในบริสุทธิ์นะพรโพธิสัตว์ไม่ได้มีของตัวนะทำไม่ได้เพื่อตัวนะเสียสละให้คนอื่นนะแต่ก็ถือว่าเป็นวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการแม่จะมาเกิดอีกชาติหน้าเข้าท้องพ่อท้องแม่ออกมาใหม่เราก็ยังถือว่ามีกิเลสมีตัณหา แต่กิเลสตัณหานั้นเป็นกิเลสตัณหาอุดมการตามภาวะจริงให้บอกเด็กเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ไม่มีกิเลสอันนี้ไม่จริงนะเพราะความไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งไม่เข้าใจละเอียดละออถึงสภาวะธรรมแม่จิตเจตสิกต่างๆไม่รู้ก็เลยไม่ได้เรื่อนงะพี่พราะว่ตัณหาธรรมาก็อธิบายแล้วนะพยายามทามความ้าใจ อยู่ในหนังสือคนคืออะไรก็แจกแจงไปแล้วแล้วก็เลยนัดย้ำเน้นกันเพรา ะ, ะนั้นผู้ที่เข้าใจไม่ถูกไม่เห็นสภาพแท้ของภาวะจิตก็จึงไม่รู้จักกรรมโลกนี้เขาก็ถือว่าเป็นโลกอย่างนั้นแหละมันไม่จริงไม่จังอะไรอนัตตาไม่เที่ยงรอกเพราะคนพวกนี้ไม่มีความจริงจังไม่มีความจริงใจเลอะและล้อม เลวเพราะเรามาทําศาสนาเน้นยึดเขาหาว่าเรายึดยึดซึ่เราจะยึดทำเราจะยึดวินัยถ้าพระอระหันต์เจ้าไม่ยึดธทำไม่ยึดวินัยศาสนาศูญยเลาะเละแหละเออจังมันไม่เป็นไรเราเขาทำแท่งเป็นไงอาตมาต้องอุเบกขามันเรื่องของเขาอาตมาเข้าใจคนสองฝ่ายเขามีทิฏฐิต่างกันเขาเถียงกัน คนนึงเขก็เห็นว่าเพื่อสังคมอีกคนนึงเขก็เห็นว่าเพื่อศีลธรรมอาตมาปางเฉยเถียงกันเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดในโลกนี้สุดท้ายมันจะมีดีที่สุดอยู่ในจุดหนึ่งถ้าเารู้ที่สุดเป็นสันตะเป็นอันตะอันติมมะผู้ที่มีญาณปัญญาสูงสุดจะรู้สูงสุดว่าองค์ประกอบหรือสังขารธรรมในโลกนี้สังขตธรรมในโลกนี้จะมีสูงสุดอันหนึ่ง เราต้องยังกุศลอันสูงสุดยังสันตะยังอันติมะนั้นไว้ในโลกเราจะต้องเข้าพวกเข้าข้างสิ่งที่สูงสุดเราจะต้องเป็นตัวที่พึ่งตัดสินให้เขาได้บอกให้เขารู้ว่าอะไรดีที่สุดอันนี้ดีที่สุดเราก็บอกเขาเพราะปัญหาการทำแท้งนี้เป็นเรื่องของการไม่รู้ของคนจะทาให้สังคมระห่า เขาไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเขาไม่เข้าใจเรื่องบานปลายที่มันจะเลอะเทอะเปลือกเปลือนเขาไม่รู้เรารู้เราถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยตัดสินแล้วบอกเขาแล้วมันจะเละเทะห้ามกันได้ต้องห้ามก่อนวางเฉยแบบตัวเองไม่รู้แล้วก็มาอวดอ้างนะมันก็พูดแก่ตัวไปได้อย่างนั้นแหละนะโอเบกขาวางเฉย นี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังพูดถึงไม่ใช่เราจะมาทะเลาะกันมาตีกันแต่มีเหตุผลวิเคราะห์ให้ฟังนะไอ้เรื่องที่เราถึงญาณปัญญาถึงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้มันมีกว้างขวางแล้วมันลึกซึ้งแล้วมันเยอะแยะที่เราจะต้องรู้กรรมนะกรรมมานังพลังวิปากโกซึ่งมันมีสุกตะมันมีทุกตะมันมีทุกตะสุกตานังมันมีดีมันมีชั่วมันมีจริงๆ เพราะพิสูจน์แม้เดี๋ยวนี้คุณรู้ดีแล้วก็พิสูจน์ดีนี่ว่าจะได้ดียังไงเราเข้าใจถูกว่าการให้การทานการขยันหมั่นเพียรการอะไรพวกนี้มันลงตัวกันแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้จนคุณกล้าทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งหลักฐานทางโลกเข้ามาทํางานนี้รู้ว่าเราอาศัยการงานอาศัยกรรมอาศายัยพฤติกรรมของกายกรรมวจีกรรมบุญกรรมเราก็อยู่ได้ไม่ตายและเราก็ทํางานได้ มีปาฏิหาริมีคนมาช่วยเหลือนี่เรามาทํางานคนบอกว่าอู้เอาทรัพย์เอาศินมาจากไหนนี่ต้องมีองค์การมาีชมรมอะไรมีสถาบันอะไรหนุนหลังแน่ๆเลยมีเบื้องหลังแน่ๆเลยเขาไม่เชื่อนะเอาไม่เชื่อก็มาพิสูจน์แล้ก็ท้าทายให้มาพิสูจน์ว่าเราทำนี่เรามีเบื้องหลังอะไร เรามีทุนรอนมาจากไหนได้มาจากอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าการแชร์นี่มันมีบทสูงมากระบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือเฟือฟ้องฟายกันด้วยจิตด้วยใจอุ่มชูกันเกื้อกูลกันรันสันสังเคราะห์ร่วมกันเนี่ยเป็นงานอยู่ได้เนี่ยมันเป็นงานที่ไม่น่าเชื่อเพราะเขาไม่เคยทําเขาไม่เคยมีสามะคีทํากันปานนี้เขาไม่เคยเกิดสังฆเขาไม่เคยเกิดกลุ่มหมูนี่เป็นกลุ่มหมูสังฆนี่เป็นกลุ่มเปโวก้อน สังคการประกอบก้อนการประกอบกลุ่มกลุ่มที่มีปัญญากลุ่มที่มีการเสียสละกลุ่มที่มีความรู้ว่าอันนี้ควรทำช่วยกันอันนี้ช่องว่างแล้วหนุนอันนี้เสริมอันนี้ช่วยเสียสละกันเป็นทินนังที่แท้บุรุษที่มีการให้การเสียสละที่จรงิงเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วเป็นพลังที่มีฤทธิ์มากเขาไม่เชื่อนี่เราจะพิสูจน์ไปอีก มาพากันพิสูจน์อาตมากําลังพาพิสูจน์นี่ลหองตายขึ้นเหนือออกอีสานเข่าภาคกลางตะลุยให้แหลกทั่วประเทศไทยเนี่ยพิสูจน์ระบบพระพุทธเจ้านี้ให้ได้ว่าระบบแห่งสามคัคคีทำระบบแห่งการเสียสละระบบแห่งการรู้ดีแล้วเราทํากิจกรรมดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้ของมนุษย์แต่ละคนของสังคมนี่นี่แหละคือมนุษย์ที่จะรวมกลุ่มกันอยู่เป็นโคลงเป็นสมาคม เป็นสามะคีธรรมนี่แหละมนุษย์จะเป็นอย่างนี้พิสูจน์กันได้เป็นญาติโกโยติกาเพื่อนพ้องเอื้อเฟื้อ เ, เกื้อกูลกันไม่มาเบ่งมาข่มกันมีสมาณตต า, ตาขนาดเป็นชั้นสูงมียศมีศักอะไรก็มาทำงานร่วมกันคนละไม้คนละมือใครถนัดอันไหนก็แบ่งกันในทีขาดเหลือแม้มัน ไม่ใช่นาทีของเราโดยตรงเราไม่ถนัดนักแต่มันขาดจริงๆก็นนุ่นก็เนื่องไม่รังเกียจว่างานนี้ต่ํางานนี้สูงก็ทํากันได้อาตมาเข้าส้วมวันแรกกับเข้าส้วมวันนี้อาตมาเห็นส้วมวันนี้สะอาดกว่าส้วมวันแรกนี่ไม่ได้คุยโม้ทันทีที่เรามีคนมาตั้งเยอะธรรมดานี่สังคมใดมีคนมาเยอะๆเนี่ยส้วมนี่เน่าที่สุดเลยทําสิจัดงานขึ้นที่ไหนไม่เชื่อพอเลิกงานแล้วส้วมนี่เน่าที่สุดเลยทั้งเหม็นทั้งโอโหอึดตึ้เลย พิสูจน์สิมีเชือ่อแต่พวกเรานี่เราได้เรียนกันได้ศึกษากันคนละม้คนละมืออย่าว่าแต่พวกคุณเลยอาตมา ก, ก็ต้องขัดส้วมอาตมาต้องรักษาอาตมาเข้าส้วมก็ต้องขัดทุกทีอ่ะขัดน้อยขัดมากเห็นว่ามันสะอาดแล้วกว็าตามก็ยังต้องขัดเพราะส้วมนี่มันสกรปรกง่ายประมาทไม่ได้เข้าก็ต้องขัดเราทําเพื่อนนิดนึงแล้วนี่ก็ต้องขัดของเราออกเรื่องอะไรให้คนอื่นเป็นภาระทําของเราออกอย่างน้อย รับผิดชอบข้างตนหรือช่วยผูอื่นได้อีกมีเวลาเหลือมีกิจอะไรพอทําคัดแต่ก่อนนี้อยู่ในผนังซ่วมไม่รู้เขียนอะไรลามกจกกระเพรยเต็มไปหมดในผนังซ่วมทุกวันนี้ไม่มีในผนังซ่วมลบหมดแล้วอตาตมาก็เชื่อแน่ว่าพวกเรานะั่นเองไปช่วยกันขัดออกหมดแล้วแต่ก่อนนี้อตาตมาโอ้โหไม่รู้เขียนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงในผนังซ่วมมันมีมือบอนคนทําอย่างนี้ทั้งนั้นนะ นี่วิเคราะห์ให้ฟังไม่ใช่เอามาคุยโม้ไม่ใช่เอามาคุยโตแต่อันนี้เป็นสิ่งประกอบของมนุษย์ของสังคมเป็นพฤติกรรมมนุษย์เป็นความรู้เป็นสํานึกเป็นมโนธรรมสํานึกเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นกลุ่มของเราจะโตขึ้นแล้วก็ช่วยสอดร้อยกันคนละไม้คนละมือความเบาจะเกิดในสังคมเพราะทุกคนเสียสละทุกคนไม่เอาเปรียบ การเสียสละเป็นความจริงที่เป็นบุญเสียสละได้ควรดีใจภาคภูมิใจสบายใจเราได้เสียสละนิดหนึ่งก็สบายใจยิ่งเสียสละมากยิ่งควรสบายใจมากยิ่งควรจะถ้าจะหลงคิดว่าพูดว่าหลงก็ยังดีหลงเราแหมเราได้ทำดีมากนะัปราบปลื้มปิติเป็นอุปกเกเรศภาคภูมิใจชื่นใจแหมเนื้อเต้นเลย แต่มันก็ทุกนะจ่ายแคลอรี่มากทางเถอะมันเป็นกิเลสนะแต่ลดมั่งมันก็ไม่เป็นไร ล, ลดมั่งดีกว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรนะักรู้วันดีแล้วก็เออคนดีแล้วก็มุทิตาจิตไปก็วางเฉยเออดีแล้วนะเราก็ปล่อยวางซะเท่านั้นก็พอแต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่บ้างจะดีใจที่เราได้ทดําดีได้เสียสละก็เอาก่อนก็ยังดีแล้วก็มาลดไอตัวอุปกิเลสที่ดีใจเสริมหนุนขึ้นมานีิให้มันบางลง แต่เราก็ไม่ต้องไปดีอกดีใจตื่นเต้นอะไรนักหนาเราได้ทําดีก็ดีแล้วรู้ว่าดีก็ดีมันก็เป็นความดีเราก็อยู่ในความดีมันก็สบายใจอยู่ตลอดเวลาเป็นทินนังทินนังอยู่ตลอดเวลาโลกนี้พิสูจน์ได้อยังโลโกไม่ใช่ไม่มีผลคุณทําดีเหล่านี้มีผลอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมทายาต่อไปอีกผมเป็นธรรมทายาพระพุทธเจ้าคุณก็เป็นธรรมทายา อย่าเป็นอมิทาาตทญาฏเลยเรียนมาแล้วก็มาเป็นอมิทาาตทญาฏแหมทาอย่างไรหนอเราจะทาให้พิษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายนี้ไม่เป็นอมิทายาฏเป็นธรรมทายาทผมระ ล, ลึกจุดนี้แล้วแสนเศร้าเฝ้าแต่ตรมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้ท่านพระพุทธเจ้าท่านเอ่ยปากว่าทําอย่างไรหนอแม้แค่ทำอย่างไรนอะแค่นี้ผมก็ จะให้พวกเธอไม่เป็นอามิทฐานญาตพวกเธอจะได้เป็นธรรมทายาททำอย่างไรหนอะยากจริงๆนะพระพุทธเจ้าถึงต้องเป่งอย่างนี้นี่ไม่รำพึงยากจริงๆริงทำอย่างไรหนอเธอจะเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอามิทฐานญาตต้องพยายามที่สุดผมก็พยายามที่จะให้พระคุณเป็นธรรมทายาตถ้าไม่มีธรรมทายาทมันเป็นอมิทฐานญาตมากเหลือเกินทุกวันนี้ มันจึงเลวศาสนาต้องเป็นธรรมธายาต้องเอาจริงแล้วก็เป็นจริงเนี่ยสุดท้ายก็เป็นพลที่มีทินนังมาสืบต่อมีทินนังมาเป็นผู้เสียสละมาเป็นผู้ให้มามีรูปแบบรักษารูปแบบรู้ยึดถังมารักษาพิธีการพิธีการเฟอจนเป็นกรองอนากะใบใหม่แล้วเราต้องมาทําขึ้นให้เป็นกรองอนุกะใบเก่า ให้เป็นพุทธิแท้พิธีการท่านมีเฟอร์ท่านไม่เอาไปเอาไอ้หนุนมาปนมาไปเลอะเลอะเถอะพระพุทธเจ้าเคยมีได้สายสินที่ไหนสินจะน่ยันท่านไม่เคยสรนเสริญมีได้สายสินเรียนรอบบาทน้ําบาทมีการทําคาถาหยดไฟหยดฟืนหมมังต่างๆท่านก็ไม่เคยสันเสริญในศีลท่านสร้างศาสนาพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาโดจุลศีลมจิมมศีลมหาศีลพูดจุลศีลมจิมมมศีมหาศีลไม่รู้เรื่องทุกวันนี้ เอาพู้นุ่นวินัยรวบรวมรวมา227นุ่นพระไปเอาแต่วินัยวินัยนั้นมันเรื่องต้นต้องเอาก่อนส่วนศีลที่สร้างศาสนามานี้ไม่เอาแล้วนั่นคือสร้สางศาสนากุฏแล้วจุลศีลมชิมศีลมหาศีลเป็นธรรมนูนพระธรรมนูนของพุทธเป็นพระธรรมนูนของศาสนาพุทธพระรูเจ้าสร้างมาก่อนพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งศีลลขันธวัชทั้งสิ้นไม่รู้เรื่อง ศีลอยู่ไหนโน่นไปอาัตาวินัยมาอวดอ้างวินไนนี่เป็นศีลอาญาลงโทษต้องเอาก่อนที่ไม่บริสุทธิ์แม่แค่ศีลริมันจะใช้ได้ที่ไหนศีลวินัยแบบนี้ยิ่งมีมากมันยิ่งต่ำในที่กล่าวแล้วอย่าไปอวดอ้างวะฉันมีศีลตั้ง227เงียบเงีย บ, บอย่าไปเผยประเดี๋ยวก็เอาให้ภิกษุณีคุณต้องไหว้ภิกษุณีถ้าพูดแบบนี้เพราะภิกษุณีมีตั้งอิวินัยมีมากใช่ไหม แต่ทิกษุนีมีมากต้องมากราบพระใช่ไหมพระพามีสองร้อี่สิบเจ็ใช่ไหมฟังให้ดีนะอย่าไปนั่งคุยมาว่าฉันมีศีลมากกว่ามากกว่าศีลห้าศีลสิอยา่าศีล น, นั่นศีลแท้ส่วนวินัยนี่เป็นศีลอาญาอย่ามานั่งคุยศีลอาญาว่าตัวมีมากแล้วว่าจะโกยานัขายขี้หน้าเขาทําให้เรียบร้อยอันนี้น่ะทำให้เรียบร้อ ย, อนนนะ ย, อยต้องเตือนกันทุกสิบห้าวันให้สะอาดให้สะอาดไม่สะอาดต้องพยายามแก้กลับแก้คืนอย่ามานั่งคุยเขื่อง คุยขี้กระโลโทเหมือนคนในโลกนี้ผิดกฎหมายอย่ามาคุยว่าตัวเองนี่บริสุทธิ์กฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายนั่นหนีได้อยู่มากๆขายหน้าตายเด๋้อาตารวจไปจับซะนี่ไม่ได้กฎหมายที่เขาออกไว้ต้องให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมออย่าไปผิดกฎหมายเป็นประชาชนที่ดีแต่มีศีลธรรมอีกถ้าโลกนี้ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้นไม่มีศีลธรรมโลกมันจะอยู่ได้อะไรกฎหมายก็ต้องไม่ผิดและคนต้องมีศีลธรรม โลกจึงจะอยู่ได้สังคมจึงจะอยู่ได้ชั้นใดพระศีลอาญาก็ต้องบริสุทธิ์แล้วต้องมีศีลที่บริจาาธนตราไว้อีกเป็นโอวาทปาติโมกศีล 84% ดหมพันพรทธรรมขันต้องศึกษาและเพิ่มศีลยิ่งมากพระก็ยิ่งสูงศีลไม่ใช่ศีลอาญาอย่างนี้เป็นต้นนะเรายังเข้าใจอะไรยังซับซ้อนด้วยยมันยังหัวหคนลคิดอยู่เยอะที่เรายังเข้าใจไม่ได้นะเพราะงั้นพอเข้าใจไม่ได้ก็อ้างให้ฟังนี่ปรเดีย๋ยวจะ ตีลังกาอย่างว่าชั้นศีลมากนะอ๋อศีนมาก น, ะ น, ากนี่สูงเหรอศีนวินยัยศีนอาญามากสูงเหรอเดี๋ยวให้ไปกราบภิกษุณีซะนี่ <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าอาตมาจะยันนะอย่างเพราะงั้นถึงบอกว่าเรารู้อะไรยังไม่ท่วนทัวนี่ก็เทียงกันเทียงกันนะเพราะงขอให้พวกเรามาศึกษาดีๆนะเราจะได้เป็นพระที่มีรูปแบบมีพิธีการยึดถังและก็มีหุ่ตถังอันสมบูรณ์สุดท้ายเราก็มายืนยันอันนี้เพราะเราเป็นผู้ที่ รู้จักกรรมรู้จักโลกนี้รู้จักโลกหน้าและพิสูจน์โลกนี้โลกหน้าเป็นอิมมันเจโรกังปา ร, รัญเจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตาตวาได้แน่แท้เขาใจเองไม่ใช่เราไปเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อครูของเราบอกเล่าให้ฟังเท่านั้นแต่เราเห็นแจ้งสัจจิกตาตวาสัจจิกตาตวาทําให้แจ้งเองนะทำให้แจ้งให้ได้ แล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเฟืองฟายาศาสนาเพราะเราเข้าใจในทินนังและเราเป็นนักทินนังเราเป็นนักให้เราเป็นผู้ให้ให้อยู่ตลอดเวลายิ่งให้เราก็ยิ่งสบายยิ่งให้มันก็เป็นของเราไม่ต้องกลัวหรอกสิ่งที่จะท้อนมาเป็นบุญนพิสูจน์แล้วอยู่ได้จะกินจะอยู่จะใช้จะทำงานทำการไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยเป็นผู้ยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธ เป็นพระหรือว่าเป็นคารวาสก็ตามหัดไม่สะสมเราพิสูจน์ได้ธรรมะนิธแก่ทุกคนลดละเป็นผู้ให้และเราก็มาพยายามที่จะรักษาจารีตประเพณีพิธีการรูปแบบและจะต้องมีการสังเวยอย่างถูกบูชายังถูกตั้งจิตอธิษฐานอะไรให้ตรงเป็นสัมมาธิฏิ มิจาทิฏฐิสบนี้เข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งเราจึงจะมาปฏิบัติสังกัปปะก็ให้ตรงตามทิฏฐิสิวาจาก็ให้ตรงตามทิฏฐิสิบกรรมมันตะก็ให้ตรงตามทิฏฐิสิอาชีวะทุกเวลาที่ดินแ ด, ก, ดกอยู่พยายามประมาณทําให้เหมาะให้ลงตัวให้ตรงกับทิฏฐิสมาาามิมีสัมมาวาจามีสัมมาสติห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิ 30, พยายามและมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอนะนี่พูดนี่คิดนี่ทํานี่เราทําอยู่นี่อย่าให้ผิดพลาดตามสมาธิติให้ลงตัวเป็นสมาธิติอันสูงสูงสู ง, สงประเสริฐขึ้นประเสริฐขึ้นเสมอเราทําอย่างนี้ในองค์7ถึงสมาสตินั่นคือสั่งสมลงเป็นสัมมาส ม, มาธิอันประเสริฐหรือเรียกว่าอริโยสัมมาส ม, มาธิ นี่คือมรกองแปดมีสติปทานอยู่ในนี้แล้วเข้าใจไหมและส ม, มะประทานคือพยายามระมัดระวังสังวรนี่ทำให้ดีปรารนน่ะฆ่าเสียมีสังวรประทานมีส ม, มประทานมีอนุรักษณาประทานมีภาวนาประทานรักษาสิ่งดีให้เกิดผลให้เกิดผลให้เกิดผลสุดยอดภาวนาแปลว่าการเกิดผลสุดยอดไปเรื่อยๆเย มีเรียวแรงอิทธิบาทเสริมหนุนมีวิริยะอุตสาหะมีความยินดีในการกระทําอย่างนี้เรายินดีมานั่งทําวัดเรายินดีมาบําเพ็ญเรายินดีมาประพฤติเรามาผัดเสียสละเรามาเรียนรู้จิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆจิตเราปรเสริฐขึ้นเรื่อยยินดีมีวิริยะมีจิตเอาใจใส่ถ้าพกคุณไม่เอาใจใส่งานนี้มันไม่กว้างไม่ใหญ่ปานนี้แล้วก็จะมีวิมังสาพัฒนาเนื้อพัฒนาแก่นแก่นสารของาศาสนาไปเรื่อยๆ นี่แก่นสารของมนุษย์สังสมอินทรีย์พร ะ, ะของเรามีโพชฌงมีอริยมรรคองแปดแน่แท้นี่เป็นที่ทำอันนี้เป็นโพธิปักขียธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้นมีสมาลิมรรคองแปดเป็นปลายเราก็ทำทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมัคโคนัททันโยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางพวกเธอจงมาเดินทางนี้เพื่อความ พิสุทธิแห่งทัศนะจะเกิดทัศนะพิสุทธิบริสุทธิ์จริงๆสะอาดไม่ใช่ได้แค่ขันขันตอนๆได้แค่กระจุกกระจักจะตลอดพิสุธทสธิเป็นทัศนะเห็นแจ้งชัดเจนและลงตัวบริสุทธิ์เป็นเจโตวิมุตติได้ด้วยมาทางนี้เอาละสำหรับวันนี้ก็คิดว่าได้ย้ำได้ไปยามขยายอะไรจะอะไรเพิ่มเติมเรียนแล้ ว, เ ร, ลวเรียนรล้วให้พิสดานเรื่อยไปที่จะให้เราได้รู้ได้เข้าใจ เวลาเขาหมดลงแล้ววันนี้เอาแค่นิกก่อนขอบ่างทัพพุทธทันนาพาสันพิสุขมาสู่แท่หมุชนเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคนเนื้อคนยังมีแม่แต่เป็นคนเนื้อคนปูเพียงร้อนละสรตน สั่งไม่ทำด้วยรักชโชดโปรดโลภหลงต้องเพียรค้นค้นจนเห็นจริงถึงสุดเจียนถอนคุดรายใดไม่พึงประสงค์ตลงติกหรือถือดีม่ไพยเสพผงมุ่งทำเป็นทองทิ้เดียวสือตรงมันคงแข็งแรงพร้อมมวลภูชาประวัติาสตพิสุขสุชนเมื่อสามคน พ้นโลกมีโชคดีที่สังคมมือจมจะได้ชมแสงหากรวมกันปรับกันวันเกลียวใจไม่ละแหงไม่แฝงคนจะลงผิดเป็นเห็นว่าดีเกิดกองทักทำกรรมย่าไปทุกทินชุมชีชวิตสิ่งมงายต้องกลายเป็นสุขีช่วยพ่วงชนให้พ้น We m from.